ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพุทธิญาณในวันนี้ได้กล่าวถึงเทวตานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงเทวดาและธรรมะที่ทำกุศให้เป็นเทวดาปาาเพื่อจะให้เกิดเป็นปิติสมโพชงดังที่กล่าวไว้ในตอนต้ น, ตน เทวดานั้นเป็นผู้ที่เสวยผลของกุศลกรรมติ่ท่นเหล่านั้นได้ประพฤติกระทำเอาไว้ในชาติก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือชาติก่อนๆจากนั้นดังนั้นเราจึงพบอนิสงค์คือผลดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติความดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทเกิดในสุคติ แม้แต่ท้ายแห่งสีนี่กล่าวไว้ในตอนต้นที่บอกว่าสีเลในสุคติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ประพฤติเป็นการยืนยันว่าด้วยผลแห่งสีนั่นเองสามารถทำให้บุคคลบังเกิดเป็นเทวดาได้และแม้แต่ที่ลดหลั่นลงมาเช่นว่าผลของทานก็ส่งแสดงไว้ในตอนสุดท้ายของอานิสงส์แต่ละคราวว่า เบลหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ซึ่งความก็ลงรอยเดียวกันว่ากุศลนั้นนำไปสู่สุกติอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าทำและอาธรรมนั้นให้ผลไม่เสมอกันธรรมย่อมนำไปสู่สุกติอาธรรมย่อมนำไปสู่ทุกติธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดา วนกรได้พูดถึงวัตบทเจประการซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติบับงเกิดเป็นเท่าสากาดเทวราชก็ถือว่าเป็นปริยายหนึ่งคือนยะหนึ่งและยังมีหลายหมวดที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาในหมวดต่อไปก็คือเรื่องของีิริการุตตะปะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่า บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตปะเป็นธรรมภาฝ่ายกุศลคือฝ่ายขาวสัตว์บุรุษทั้งหลายเรียกบุคคลลอา น, นี้ว่าเป็นผู้ที่มีเทวธรรมหรือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาฉันเล่าไว้ในตกรถาว่าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ ยังเที่ยวสวยยังเที่ยวแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณอยู่นั้นแล้บังเกิดเป็นราชกุ ม, มารองหนึ่งชื่อมหิสาสกุ ม, มารและมีพร ะ, พระนุชาพระองค์หนึ่งชื่อวจันตกุ ม, มารต่อมาพระมารดาได้ที่วงโคตรไปพระราชบิดาเขาไปมีมเยสีใหม่มีพระจูรสองค์หนึ่งชื่อสุริยะกุ ม, มารอารามที่ ดีพระไทยในฐานะที่ได้พระโอรสเป็นชายทั้งสามบุกก็ทําให้ฟังพระวาจาีพระราชาทานพรให้พระเมษีใหม่เลือกพอรที่นางต้องการ น, นางก็ขอพักไว้ก่อนพอถึงโอกาสไดจังหวะดีๆสุริยกุ ม, มารก็เติบโตเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาแล้วบนางก็ขอราชสมบัติให้แก่รัฐสุริยกุ ม, มารซึ่งเป็นพระอรสองค์ที่สาม ถึงก็ผิดธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาแต่ว่าพระราชาแล้วตัดแล้วจะคืนคำอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงเรียกราชกุ ม, มารทั้งสองคือมหิดสาสักุ ม, มารและจันตะกุ ม, มารบอกให้ไปหลบบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีอยู่ในป่าให้ครบสิบสี่ปีแล้วค่อกลับมาพาราชาสมบัติเมื่อพ่อจากไปแล้ว สองพี่น้องก็กราบทูลลาพระราชบิดาออกเดินทางแต่ว่าเจอเจ อ, เจอกับสุริยคุมารพระนุชชายรอสอบถามทราบความแล้วสุริยคุมารก็ไม่พอพระไทยในประชนนี้มากที่ทำเช่นนั้นเลยมาห้ามปรามพี่ชายทั้งสองไม่ให้ไปก็ไม่ได้เลยก็ขอตามเสด็จไปด้วยก็กลายเป็นเดินออกอยู่ป่าไปทั้งสามคนพี่น้อง ต่อมาก็ได้ไปพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งก็ไมสาสกุมารก็บอกให้สุริยากุมารซึ่งเป็นพระนุชาองค์เล็กไปหาน้ำมาดื่มกันแต่วันในที่สุดก็ถูกรากสดจับเอาไว้เพราะว่าไม่สามารถจะตอบปัญหาเรื่องเทวธรรมได้คือธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาได้สู่จันตะกุมารไปก็ถูกจับอีกเพราะตอบปัญหาไม่ได้เหมือนกัน ไม้สาักกุมารก็เลยก็ไปเองไปสังเกตรบริเวณว่าผิดปกติก็รู้ว่าเป็นที่สถิตของรักสดจึงยืนบนฉลองพระบาทแล้วก็ไม่เข้าไปในบริเวณของสะโบกรณีรากสดก็ได้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดามาชั่วช่วยเข้าไปแต่พระโพธิสัตว์ก็จับได้ว่าเป็นรักสดก็สอบถาม ทราบความว่าเขาได้รับพรจากทาเวสสุวรรณว่าสามารถจับคนที่ไม่รู้จักเทวธรรมกินเป็นอาหารได้ผลพระจุฬามาทั้งสองจึงถูกจับไปแต่ยังไม่ได้กินหรอกไม่สาสักุมานบอกว่าถ้าต้องการเทวธรรมท่านจะตอบให้แต่ขออาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวเสียก่อนในสุดเมื่อสองน้ำเสร็จ ก็ประทับนั่งบนที่สูงแล้วก็ส่งแสดงข้อความว่าฮิริโอตตรปสัมปนาสุกัธรรมะสมาหิตาสันโตสัพพิสาโลเกเดวัฒมาทิพุจเรแปลเป็นใจความว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตปะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายขาวสัตบุรุษเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีเทวธรรมในโลกนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามที่รักสดได้รับรูมา แต่เพื่อพิสูจน์ทดสอบว่ากัานมีเทวธรรมจริงหรือไม่จึงบอกว่าระหว่างน้องชายทั้งสองนั้นก้อยเลือกเอาองค์หนึ่งจะเอาองค์ใดไปก็ได้ท่านก็เลือกเอาสุริยักุมารที่เป็นองค์เล็กตามให้ราชสดทุ่งปิงว่าท่านรู้เทวธรรมจริงแต่ว่าไม่ปฏิบัติเทวธรรมเพราะว่าไม่ให้ความสําคัญแก่คนที่มีอายุมากกว่าคือขาด การเคารพยกย่องต่อผู้ที่จเจริญว้กว่าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านรู้เวทวธรรมด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามเวทวธรรมด้วยในสุดก็เล่าความเป็นมาเบื้องต้นให้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านกลับไปเมืองแล้วก็บอกว่าน้องชายถูกกัะสุดจับไปกินเนี่ยใครก็จะเชื่อในที่สุดก็จะกล่าวหาโจมตีเอาแต่ว่า ถ้าเรานำน้องชายไปคืนให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปถูกกล่าวหาใส่ราส้ายปายสีทำให้รักสดเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็มอบจันทรุกมารถวายแต่ว่าตัวรักสดเองที่แสวงหาทางหาเทวธรรมอยู่นั้นก็ไม่มีฮิริโอตปัตเพราะฉะั้นท่านจึงแนะนำให้กดเว้นจากการทำลายชีวิตสัตว์ คือทำลายสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายคือพูดง่ายว่ารักษาศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้ในที่สุดท่านก็รักษาศีลทัหะะ้าแล้วก็มาถึงเวลาก็กลับไปครองบ้านครองเมืองกันไอสาสะกุมารได้เป็นพระราชาจันตกุมารได้เป็นอุป ร, ราชแล้วก็สุริยะกุมารได้เป็นปุโรหิตได้ได้เป็นเสนาบดีนี่เป็นเป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่า วิริยตปะนั้นเป็นมโนธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นลักษณะของจิตที่ละอายบาปรังเกียจบาปขยะขยะยงตบาะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรแกการละอายทั้งนั้นจะมีการพยายามปฏิบัติควบคุมตัวเองจนไม่คิดบาปไม่ทำบาปไม่พูดบาป อ่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเหมืนอนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดเน่สามารถทําภาชนะที่รองรับรองรับไปเต็มได้จังใดบุคคลที่สะสมบาปเอาไว้บ่อยๆแล้วมีความยินดีในบาปในที่สุดจิตใจก็จะเต็มด้วยบาปแต่ดิอตุตตะปะนัน้นมันมีการต่อสู้คือกระแทกกระทันจากอารมณ์ข้างนอก ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าสถานการณ์ปกติธรรมดานั้นบุคคลสามารถควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้โดยมากแต่ถ้าหากว่ามีแรงกระแทกมาจากข้างนอกโดยเฉพาะย่างยิ่งก็คือยุ่ยอยากกับยุใหโกรธแล้วก็มอมเมาให้เกิดหลงวงงายได้เหตุผลมันไปเข้าไปสู่จุดอ่อนในด้านจิตใจของบุคคลพอดี พอคนเรานั้นมีพื้นฐานของจิตที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงฟันเมื่ไปเพิ่มปริมาณของความโลภโกรธหลงขึ้นมาภายในจิตโอกาสที่คนจะเสียศูนย์มันก็มีได้ง่ายแล้วในที่สุดก็อาจจะไปทําบาป พ, พูดบาปคิดบาปขึ้นมาเป็นสภาพสภาวะของจิตที่ตกต่ําลงไปจากคุณธรรมความดี ดังนั้นท่านจึงบอกว่ายิรินั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยเหตุสี่ประการประการแรกก็คือชาติกุลที่เราเกิดมาอยู่ในทรามกลางวงล้อมของญาติวงสากนายาตพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่อยู่ในศีลในธรรมเราไม่มีภาพอะไรที่แปลกแยกออกไปได้ยินด้เรื่องดีๆได้เห็นด้เรื่องดีๆ ถามให้เราได้คิดแต่เรื่องดีๆฝันโอกาสที่จะคิดบาปจนถึงทำบาปพูดบาปมันก็มีไม่ได้เพราะว่าจะเลิด ม, มาทำกลางสัตว์บุรุษแต่ก็จริงแล้วชีวิตเราไม่จะทำได้ง่ายขนาดนั้นเพราะาเราเป็นสัตว์สังคมเราไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะคนไกลชิดที่บ้านเราเราเกี่ยวข้องกับคนเป็นอันมากแลวคนก็มีอัตยาสายัยนิสัยใจคอแตกต่างกัน ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนผ่านเข้าโอกาสที่คนผ่านจะชี้นําให้ไปสู่ความเสื่อมมันก็มีได้งไง่ายด้ดยนโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอบายามุกที่ให้งดเว้นเอาไว้เพราะเปนแรงอบายามุกเหล่านั้นผึกสังเกตว่ามันเป็นแหล่งที่กระตุ้นการมาราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะ ปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นจากแหล่งเริรมเนี่ยบ่อยที่สุดแล้วก็กลายเป็นความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็่าจากความรักและความกลัอย่างที่เป็นข่าวคราวให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอแต่ปัญหาสำคัญก็อีกแหละคือคนบางทีก็อดใจไวไม่อยู่ถ้าว่าจิตใจอ่อนแอมากก็อาจจะไปในแหลงเหล่านั้นแล้วในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของแหลง รือทำให้จิตใจอ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์ที่เรียกร้องที่กระตุ้นซึ่งเราอาจจะพูดว่าเป็นอารมณ์ที่ขูให้กลัวประยั่วยาซึ่งมีอยู่มากในปัจจุบันเนื่องจากมีผลประโยชน์หรือเบื้องหลังอารมณ์เหล่านั้นด้านหลักการสาคัญที่จะให้คนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในรูปที่มันเป็น ในมงค์และสูตรเราก็เห็นว่าเปลักษณะอย่างนั้นเร่องการพูดถึงคนก็จริงแวดล้อมให้คนจเจริญเติบโตมาท่ามกลางสินแวดล้อมที่ดีหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วก็ยังเจอบุคคลในแวดล้อมที่ดีอยู่จนทงแสดงไว้ในจักรสีว่าให้อยู่ในประเทศที่เหมาะควรคือเอื้อต่อการพัฒนาการในด้านต่างๆ แล้วโคผากระสัดบุรุษคือคนดีหลีกหนีไม่โคผ า, า, ากเกี่ยวข้องกับผลพาดแล้วก็ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบตามคำสอนของสัต์บุรุษตามความแนะนําของสัต์บุรุษแต่อย่างนี้ก็อีกแหละมันต้องมีพืชนัตยาศัยที่มีอยู่ภายในใจเขาเขาต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปุเพกตะปุญญตาคือมีบุญที่กระทำไว้ในการก่อน ที่ทาให้มาเกิดในสกุลที่ดีได้นั้นไม่ใช่ว่านิ่งๆมาเกิดได้มันต้องอาศัยบุญบารมีต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นได้สร้างสมบรูรณ์รวมเอาไว้และสร้างสมมาร่วมกันเพราะบุญนี้ทําไว้ในการก่อนจึงเป็นพลังแฝงที่มีอํานาจอิทธิพลดูบ้างสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของบุคคลสร้างความโน้มเอียงให้แก่บุคคลได้ มางครัมาคราวเราก็เห็นว่าคนมาพวกเดียวกันแต่เติบโตมาจากแหล่งแตกต่างกันคนหนึ่งกลายเป็นพ า, านคนหนึ่งกลายเป็นบัณฑิตไปได้อย่างในอัจฉรกะาท่านเล่าถึงนกแขกเต้าสองตัวที่ในขณะขนปีกกาลังจะบินได้เนี่ยถูกพายุพัดหมุนแยกกระจายออกไปคนละทิศละทาง ตัวหนึ่งจเจริญเติบโตขึ้นมาท่ามกลางอาสมของฤาษีก็กลายเป็นนักปราบเป็นบัณฑิตไปตัวหนึ่งจเจริญเติบโตมาท่ามกลางอาวุธของกองโจรถือตกลงไปในกองอาวุธแล้วก็โจรก็ให้ชื่อว่าสัตติกะแปล ว, ว่าสัตราวุธนกกับมีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงชอบนิยมชมชอบการฆ่าการทํำลายล้างกันตัดช่องย่องเบาต่างๆนั้นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของบุคคลมากดังนั้นแม้ในการเกิดของเราในสกุลเนี่ยให้ลองสังเกตว่าทรงแสดงสมบัติไว้สี่ประการทั้งๆที่จริงๆมันมีแค่สี่ประการแต่เราก็หาได้ยากมันก็คือคติสมบัติครอบครัวที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดท้องถิ่นที่เราเกิดปัญหาว่าเกิดที่ไหนฐานะฐานครอบครัวเป็นยังไง ฐานะทางสกุลเป็นยังไงท้องถิ่นที่เราเกิดนั้นอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ในป่าอาจจะอยู่หลังเขาอาจจะอยู่กลางทุ่งอาจจะอยู่ตามแหล่งสลัมต่างๆมันก็มีปัญหาแล้วโอกาสที่จะสร้างสรรพัฒนาให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นภายในใจมันก็ทำได้ยากแล้วเพราะสาภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้ประการต่อไปคือเครยวกาลสมบัติ คือยุคสมัยที่เราเกิดมาปัญหาเราเกิดมาในยุคสมัยอย่างไงในสังคมให้ค่านิยมในการยกย่องบุคคลประเภทไหนถ้าเราอยู่ในเป็ น, เ ป, นเป็นบุคคลประเภทไหนมันเหมือนในยุคสมัยของพระพุท ธ, ธเจ้าโดยเว่าเป็นยุคแห่งธรรมเป็นยุคทองของศาสนาและศีลธรรมรคนเวลาพูดเรื่องธรรมะจะพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายแล้วก็รับรู้อะไรได้เร็ว เพราะว่าท่านมีพื้นฐานอยู่ภาในจิตใจของท่านมากพอประการต่อไปก็อุปธิได้แก่ปุคลิกภาพลักษณะนิสัยรูปร่างหน้าตาของเราเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงปุคลิกลักษณะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสูตทรงสันฐานเป็นยังไงแต่ละอย่างนั้นเป็นตัวเสริมกับตัวบั่นทอนได้ด้ยการทั้งนั้นแตาว่าพวกนี้มีส่วนบกกรุกเไปเมื่อก็บั่นทอนได้ แต่ถ้าหากว่ารูปร่างหน้าตาดีเสียงดีผิวพรรณสวยงามสูทสงสมส่ว น, ว น, ว น, วนแล้วก็สามารถจเจริญรุ่งเงได้ในเวลารวดเร็วเียกเขาเรียวกว่ามีรูปเป็นทรัพย์แต่ตัวการสาคัญเองถ้าเรียวกว่าประโยค่สมบัติคือการประพฤติการกระทําของตนในขณะนั้นๆเราก็จริงแล้วชีวิตของเรานั้นอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปไปแล้วแล้วก็เป็นไปแล้วอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่มา เรื่องสำคัญจริงๆยังอยู่ที่เรื่องปัจจุบันว่าแต่ละขณะในขณะปัจจุบันนั้นเรามีการประพฤติมีการกระทำอย่างไรจะเป็นคุณเป็นโทษยังไงดีประการหนึ่งก็คืออายุที่มันจเจริญขึ้นอายุสูงขึ้นมีเหตุมีผลมีสติปัญญามีประสบการณ์ในการมองในการคิดได้ดีขึ้น สามารถยับยั้งชั่งใจเหนียวนึกจรึกนึกเอาไว้แล้วก็สุขคิดว่าสิ่งนั้นควรสิ่งนี้ไม่ควรแยกแยะได้แล้วก็ห้ามจิตจากอกุศลต่างๆไว้ได้การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เราสังเกตว่าการศึกษาบางอย่างมันไปนกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะ ก, กระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะให้แก่กันและกันศึกษาไปแล้วมีความรุนแรงคล้ายๆกับพวกฝึกเพื่อต่อสู้กัน เดี่ยความคิดเี่ยแรงมากมันเหมือนประเทศไทยสมัยหนึ่งที่มีลัที่ขอมมนิรตเดี่ยวก็มีการต่อสู้มีการปราบปรามกันเวลาก็ฝึกเดี่ยวเขาตะโกนร่วมกันว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมันตอกย้ำอยู่ในจิตปัญญาเป็นนานนานสะสมอยู่เป็นนาน น, านพอเห็นก็มุ่งแต่จะ่เห็นฆ่าทำลายล่างกันแตน่เด่นเด่ไม่ได้คิดว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นญาติพี่น้องกันเป็นชาติ เป็นประชาชนในชาติศาสนาเดียวกันไม่ได้คิดอย่างนั้นแบ่งแยกแล้วก็มุ่งไปสู่การทำลายล้างฝ่าใดฝระหนึกให้พี่นาฏไปเนี่ยถือว่าประสบใจฉนาาอย่างสูงเพราะในการศึกษาท่านจึงศึกษาจากสำานักของศัตว์ปุรุจะแนวมงคลละสูตรที่ทรงแสดงไว้ว่า การไม่ผูกผ่านการไม่ผูกบัณฑิตการบูชาผู้ควรที่บูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการทำบุญไว้ในการก่อนแต่การตั้งตนไว้ชอบเพราะในการจะ ต, ตั้งตนไว้ชอบได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยเข้ามาประกอบคือตอนเองจะต้องไม่คูกผ่านและต้องคูกกับบัณฑิตยกย่องบูชาคนที่ควรยกย่องบูชา สถานที่อยู่ต้องเ อ, อื้อคือประเทศนั้นเหมาะควรแก่การสร้างสรรพัฒนาสิ่งดีงามให้บังเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเรื่องสถานที่นั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนในสมัยที่เป็นประบบธดิสัต์ยังไม่ได้จัดสรูปตอนมันเป็นเพียงทางกายนั้นมันไม่่อยแปลกก็ อ, อยู่ตรงไหนก็ได้แต่พอความเป็นเพียนทางใจนเริ่มสแสวงหาสถานที่ที่เหมาะควรแก่การฝึกปือในด้านจิตใจ ผลสภาไปล้อมตรงนั้นต้องเ อ, อื้ออย่างนี้สรงแสดง ว, ว่าในรันชล า, านั้นอยู่ใกล้แม่น้ํามีแม่น้ําไหลผ่านอยู่ตลอดก็สะดวกด้วยเรื่องที่จะใช้น้ํากลางคืนไม่มีเสียงรบ ก, กวนก็จะสะดวกที่จะปฏิบัติทำมากลางวันไม่มีคนพลุกพ่านก็สะดวกที่จะปฏิบัติทำมาผลพระองค์ก็เลือกอรูปเวลาเซนาณิคมเพื่อปฏิบัติพระเพียนเปลียนทางจิต แล้วก็จบด้วยการตัดสรู้อย่างที่ทราบกันผลการศึกษาจึงเป็นตัวเหตุหลักกี่ประการหนึ่งที่ว่ามันศึกษาไปในทางไหนศึกษาการศึกษาในความหมายของศาสนานั้นคือกิเลสต้องลดลงความโลภต้องลดลงความโกรธต้องลดลงความหลงต้องลดล ง, ล ง, ล ง, ลดลงและคนที่จบการศึกษาที่เราเรียกว่าอาเสขะนั้น คือดับความโลภความโกรธความหลงได้สิ้นเชิงเพราะบนเส้นทางของผู้ศึกษาที่เรียกหยอหว่ายังเป็นเสษขาดอยู่นันก็คือต้องให้สามารถลดได้ลดความโลภลงไปได้ลดความโกรธลงไปได้ลดความหลงลงไปได้ไม่มีปฏิบัติการพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความโลภโกรธหลงที่รุนแรง เพราะว่าจะถูกคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาโดยเฉพาะปัญญานั้นก็เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนของกิเลสทีเดียวเนื่องจากกิเลสมันมาจากอาวิชาหรือโมหะปัญญาเป็นแสงสว่างโมหะหรือวิชาเป็นความมืดเพราะเมื่อการศึกษาในรูปของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางไว้เนี่ยเราเจนว่าถ้าเราดูที่ศีลสมาธิปัญญาแล้วศีลก็มุ่งลดความโลภ สมาธิก็มุ่งลดความโกรธปัญญาก็มุ่งลดความหลงแล้วจนพลังของศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงความสมบูรณ์มาทําลายสัรพกิเลสที่มีชื่อต่างๆไปได้คนคนที่ศึกษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะรู้สึกังเกียจบาปลายบาปขยะแขยงต่อบาปไม่กล้าประพฤติไม่กล้ากระทําในสิ่งที่เป็นบาปแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติเนี่จะต้องมีความกล้าหาญ มีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวด้วยอารมณ์ที่ยั่วยุยยวนังกล่าวเพราะอารมณ์ยั่วยุยวนั้นอย่าลืมว่าแม้แต่คนที่เก่งๆขนาดมาดูสีก็ไรโกรดยังอยู่ไม่ได้อารมณ์ยั่วยุก็เป็นเช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอารมณ์สองอย่างไว้ว่าอิทธารมอณิธารมคือนนาอารมณ์ที่เราชอบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบน มันนีที่ผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตให้แก่บุคคลทั้งหลายแทอ่อนไหวไปตามแรงของอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็รู้อำนาจแก่ยุริคือความลายต่อบาปในสุดก็อาจจะคิดบาปพูดบาปทำบาปออกไปแล้วก็ต่อไปก็ปฏิเสธผลไม่ได้แล้วเอไปสร้างเหตุได้เกิดบาปขึ้นมาแล้ว แั่นั่น ห, หรือจึงเป็นมโนธรรมเป็นสํานึกที่จเจริญเติบโตตามความกระหายภายในใจของคนลองสังเกตว่าคนบางคนนั้นแม่ถูกขู่ให้กระทาความชั่วแก่ก็ไม่ทําจ้างวานให้กระทาความชั่วก็ไม่ทําถูกขู่จะฆ่าให้ตายก็ยังไม่ทําก็แสดงว่าปัญญาเขาเกิดขึ้นพิจารณามองเห็นโทษของอกุศลและมองเห็นคุณของกุศล สมมติว่าเขาบังคับให้เราทำชั่วแล้วเราไม่ทำเนี่ยเขาฆ่าตายมันก็คือตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองแต่ถ้าเราทำไปแล้วบาปไม่ได้ตกที่เขาบาปมันตกที่เราเราเป็นผู้รับรองผลของบาปเหล่านั้นไปี่ตัวของตัวเองเพราะแม้จะตายช้าลงแต่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในสัมภาระจะพบภายภาคหน้า ั้ธรรมะทั้งสีประการนี้จึงเป็นเหตุภายในใจของบุคคลท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุวมโรจน์พิธในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไพฑูรย์ในธรรมจงมีงแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี